น้องังที่รบคะ่ะรายการสันสนีสนทนาเรามีเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้นะคะและแต่ละวันเราก็จะมีสองช่วงผ่านไปช่วงแรกนั้นพระมาชาคาวโรวัฒนาป่าพง์ลำลูกาคลองสิทวัดที่มีท่านอาจารย์คือคริปโสธิพโลเป็นเจ้าอาวาสและท่านอาจารย์คือคริปนี่เองนะคะที่ได้มอบหนังสือพูด้ทวดจนะมาให้พวกเราแจกกันในรายการสันสนีสนทนาศูนย์สองสองหกเก้าศูนย์ย์ย์หกนะคะวันละสามเล่มก็จะ ให้ท่านได้ไปมีโอกาสศึกษากันค่ะถ้ารับไปไปวางประดับบ้านนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะแต่ถ้ารับไปแล้วท่านศึกษาเข้าใจท่องจําได้เพียงบทเดียวก็โอ้โหประโยชน์เหลือล้อนแล้วแต่ก็ได้ไปทางเล่นอย่าไปศึกษาแค่เพียงบทเดียวแล้วกันขาดเสียได้ของนะคะตอนนี้เรามาพบกับพระพิบูลอภิปุโ น, โนท่านจะว่ามาขอภัยค่ ะ, ะพระภิกษุที่ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรหลีกเร้นอยู่ที่วัดซึ่งมีหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดนะคะเป็นเจ้าอาวาสคือวัดตาดหายฮโกจังหวัดอุดรธานีค่ะนวัฒการกับท่านคะเจมส์พอนมาเป็นอาจมาเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการหลีกเร้นปฏิบัติธรรมค่ะหลวงพ่าก็เป็นเจ้าอาวาสทีนี้ถ้าอยู่ในหลักสูตรการหลีกเร้นปฏิบัติธรรมเนี่ยน ะ, ะอาจารยมาก็จะเป็นคนดูแลส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยค่ะเรีวยกว่าเป็นทุกตําแหน่ง ธรระก็มีหน้าที่ไปเทศมีหน้าที่ไปสอนธรรมะอย<า>่า <evaluate> งเงี้ยค่ะเวลาที่สอนกันางนี่มีพระสงฆ์ช่วยท่านสอนด้วยไหมคะเอ่อธรรมะก็จะรับหน้าที่คนเดียวคือพระในวัดเนี่ยก็จะให้ท่านมาปฏิบัติอย่างเต็มที่ อ, อ๋อพระก็ต้องปฏิบัติด้วยใช่ก็ต้องถึงเวลามานั่งสมาธิถึงเวลาไปเรียนจงกรมถึงเวลาไปฉันอาหารถึงเวลามาฟังธรรมเป็นอย่างนี้เหมือนกันค่ะอย่างนี้ท่านก็หนักเหมือนกันสิครับเพราะว่า จัดคอสไม่มีหยุดเลยไหมคะอธิมาเห็นว่าอย่างนี้เราได้ประโยชน์นะคุณโยมติว๋วเนื่องจากว่าเราบอกให้คุณเขานั่งสมาธิอย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะไม่นั่งก็ไม่นั่งเขต้องนั่งเราบอกให้ เ, เราอ่านหนังสือเขาฟังเราคนอ่านเนี่ยได้มากกว่าคนฟังด้วยซ้ำเพราะว่าเราเป็นคนอ่านออกเสียงเราต้องเป็นคนเลือกเรื่องเราต้องเป็นคนที่จะมากําหนดว่าอวันนี้จะพูดเรื่องอะไรเราจะได้มากกว่าคนอื่นหมายถึ ง, ถง <c oughs> ตัวอธมาเองนะค่ะนะคะนี่ก็เป็นอ่า การพูดถึงสิ่งที่ท่านทำทีน่นีสาระที่ท่านทำมีหลายคนสนใจอยู่โดยสนใจเป็นหลกัหลกๆเลยกําลังคิดจะปฏิบัติดีหรือไม่ปฏิบัติดีไปปฏิบัติแล้วจะเจออะไรบ้างเมืเ่อวานนี้พูดค้างอยู่ก่ะท่านคะนแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยรายการเราก็ถือเป็นวัฒนธรรมเลยที่จะต้องอถวายพุทธบูชาในปีพุทธชยันตีที่เรามีพระศาสดาตรัสรู้มาเป็นปีที่สอ0พันหกร้อค่ ะ, ะในปีปีนี้ปีสอง0ัเนี่ย ศาสนาที่อยู่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็มีศาสนาอื่นๆ อ, อ, อีกนะที่เขามีคมํำสอนมีอะไรต่างๆตามเรื่องตามราวที่เขาจะแสดงไปทีนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยต่างกับศาสนาอื่นๆ อ, อย่างไรแต่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้ชัดเจนว่าพระองค์เนี่ยประกาศศาสนาเนี่ยไม่ได้เพื่อต้องการจะล้มล้างลทัทธิอื่นใหสิ้นไปไม่ได้เพื่อต้องการให้คนอื่นมาเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ เราก็ไม่ได้ต้องการที่จะเรื่องราบจั ก, กระสิ่งสรรเสริญเยินยอละ่ะไม่ต้องการเรื่องให้คนมานับถือหรือว่าไม่ต้องการที่หลอกลวงมหาชนนให้เข้ามาหาแต่การปฏิบัติของพระองค์เนี่ยการที่มาสอนเนี่ยนะของพระองค์เนี่ยนะเพื่อดับทุกข์สนิทนะคุณโยมติวเพื่อแก้พนาของตัวเองที่มีอยู่ณนะขณะนั้นด้วยนะทำให้เรามองเห็นประเด็นตรงนี้ที่ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ตอนนั้นเป็นพระอรหนะันต์แล้วนะเป็นสมัยสมุทรเจ้าแล้วนะทำไมยังดับทุกข์ไม่สนิทหรอ ครัวตัวเองในจิตตัวเองไม่มีกิเลสอยู่เลยประเด็นตรงนี้ทําให้เรามองเห็นว่าโอ้พระเจ้าเนี่ยละเอียดมากเลยคุณโยมติ๋วยังพูดถึงกายของตัวพระองค์เองเนี่ยว่ายังเป็นปัญหาที่ยังดับไม่ละยังดับไม่ได้คือหมายความว่ากายนี้ยังมีอยู่เนี่ยถ้ายังมีกายอยู่เนี่ยมันมีช่องถ้ายังมีกายอยู่มันต้องเดี๋ยวปวดนั่นเจ็บนี่ตรงนี้เป็นความทุกข์ที่ยังยังไม่สนิทอาจารย์ค่ะอพอพูดมาถึงตอนนี้นกราบเรียนถามว่า มันก็เป็นความจำที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่ามันผ่านหูเข้ามาเผ่านที่ว่าคนที่ถ้าลองเข้าขั้นเป็นพระอรหันต์แล้วเจผ่านคือเหมือนกับว่าบรรลุธรรมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุไม่ยืนหรือว่าถ้าสมมติเกิดไปบรรลุในเพศคาวาอก็จะต้องบวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงหรือเคล่าคะดิฉันยังไม่แน่ใจเอ่อเป็นข้อมูลอย่างนี้ว่าสาหรับพระอรหันต์เนี่ยนะ จะมีเครื่องอยู่ของพระอาหารหันต์เครื่องอยู่พระอาหารหันต์หรือพระอาาริยเจ้ า, าทั้งหมดเนี่ยคืออย่างเช่นข้อแรกคือ ต, ต้องอยู่ในศีลต้องมีศีลอันดับสองนี่คุณจะต้องอค่อนข้างจะอยู่แบบสบายๆเงียบๆนไม่ค่อยไปลคลุกคลีกับใครอันที่สามนี่ก็จะต้องเจริญพวกโพกชงเจริญอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทีนี้ถามว่า อ, องค์ประกอบเหล่านี้อันไหนจะทําง่ายอันไหนจะทายากคือหมายความว่าฆราวาสทําง่ายหรือว่าพระทําง่าย ถ้าเราบอกว่าคราวาสพระทําง่ายโอเคอยู่เป็นพระดีถ้าเราบอกว่าฆราวาสทํายากงั้นอยู่เป็นคราวาสไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันจ ะ, จ ะ, จ, ะจะอยู่ไม่นานนี่คือประเด็นนะคือสมมุติว่าคราวาสอย่างเงี้ยอาชีพฆ่าหมูถ้าเกิดคุณเป็นบรรลุปเป็นพระรหันขึ้นมาแม่คุณจะฆ่าหมูไม่ได้คือถ้าคุณฆ่าจะเกิดอะไรขึ้นจิตมันจะเบื่อหน่ายจิตมันจะเซ็งจิตมันจะไม่อยากทําอะไรจิตมันจะโอ้ยหนีดีกว่าถ้าหนีไม่ได้คุณจะตายไว เอาพูดงี้แต่ถ้าคุณเป็นคารวสแต่คุณมรรู้เป็นพระอรหันต์คุณรักษาศีลได้โดยเฉพาะศีลแปดรักษาไปได้เรื่อยๆก็อยู่ไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นคํากล่าวที่ไม่ได้เสมอไปอืมถูกต้องแล้วก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะในข้อ น, นี้ก็คืออยู่ในมรรคไหมล่ะถ้าคุณรักษามรรคของคุณได้ตลอดอคุณอยู่ได้คือที่พีฉันสงสัยแบบเนี้ยก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยค่ะท่านกราสรู้ เรียกว่ารู้ธรรมอันยิ่งใหญ่คือพิเศษกว่าพระอาหารหันต์ทั่วๆไปแล้วเนะี่ยอืมใช่ก็ยังทรงมีพระชนมายุสอนพวกเราอยู่อีกตั้งสี่สิบห้าปีอะค่ะอืมก็เป็นอ่ก็เรียกว่ามีความกรุณานะค่ะอย่างไรก็ตามที่ท่านพูดไว้แล้วที่ฉันมาแวะถามตรงนี้ก็คือยังต้องมีภาระคือเรื่องร่างกายถูกไคะใช่ใช่ตรงนี้เป็นความทุก นี่ยังดับลงไม่ได้ก็คือรอเวลาเท่านั้นเองนะคะทำให้ความคมนะของบทเพชชนะพเจ้าเนี่ยต้องละเอียดมากเราจะศึกษานี่ต้องคมมากค่ะ อ, อ, อ่นี่ก็คือเรื่องของพุทธเานตีในในวันนี้ค่ะก็เพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้น เป็นอย่างไรในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นที่เราอาจจะไม่เคยมีความรู้พวกนี้เรามาก่อนก็เท่ากับว่าได้รู้แล้วนะคะว่าการตรัสรู้ของท่านเนี่ยไม่ได้พบธรรมที่ท่านพบว่าประเสริฐแล้วมาลบล้างธรรมของความเชื่ออื่นๆแต่ว่าเพื่อจะดับทุกถูกไหมคะใช่ใชเพื่อจะดับทุกทั้งปวงอืทีนี้มาถึงเรื่องของการดิกรุ่นที่ กลับเรียนถามค้างอยู่เมื่อวานเนี้ค่ะอืมอประเด็นที่เมาต้องการพูดเพิ่มเติมเนี่ยที่คุณโยมติวพูดถึงว่าเอ้เราจะต้องใช้เวลานานเท่าไร่บางคน3วัน5วัน7วันแล้วจากนี้ไปจะทํำยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะค่ะกระบวนการตรงเนี้ยถ้าจะขายาความให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นเนี่ยเราพูดถึงเส้นทางนะเราพูดถึงความเป็นพระอรหารเราพูดถึงความเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเดินไปตามทางคุณโยมติวค่ะทีนี้เราจะไปเชียงใหม่อย่างเงี้ย อคุณออกจากไหนอ่ะถ้าคุณออกจากกรุงเทพก็ใช้เวลาไม่เกินสิบสองชั่วโมงถ้าคุณออกจากสงไห่โกลล็อกนี่คนเกินยี่บสี่ชั่วโมงอยู่่<ช>ะเราก็ไม่รู้เราเริ่มจุดไหน<ช>เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลานานใช้เวลาน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกมันอยู่ที่คุณเริ่มอยู่ที่จุดไหนเ<ช>นาะซึ่งแต่ที่แน่ๆนะถ้าคุณขยันเดินไม่แวะพระกลางทางอยู่เรื่อยๆไม่ดีทัวออกไปไม่หลงไปนั่นนี่คุณไปคุณไ ป, ค, ณไปคุณถึงเอง แต่ถ้าทางตรงกันข้ามนะต่อให้คุณอยู่ใกล้ขนาดไหนเนี่ยแถ้าคุณเดี๋ยวก็หนีไปนู่นทําไปนี่ไม่ได้เ อ, อผิดแปกออกจากนอกรูนอกทางยังไงมันก็ไม่ถึงไงนี่ทาเนื่องกระต่ายกระเต่าเราก็เคยได้ฟังมาลักษณะนั้นคืออยู่ใกล้มีความสามารถจริงอยู่แต่ประมาทพลาดท่าเสียทีก็มีน้อยๆบ่อ ย, อ ย, อยนนๆนานๆอันนี้นดีักระเต่ า, นะาอ่ะนะอืนะครับ น, นี้ก็ท่านไปบวงส่งสัญญาณบอกให้ท่านทั้งหลายทราบไปพิจารณาดูตัวเราเองก็เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นใ น, ในการปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปมองเห็นว่าอุย้ยทําซ้ำอันนี้ก็เบื่อแล้วฟังอยู่นั่นนะอ่ะไม่เห็นมีประโยชน์อะไรคุณคิดผิดเลยคุณคิดผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําให้เจริญคือยิ่งทําแล้วยิ่งเจริญคุณยอมเติมเนื้อไหมอย่างความอด<ฆ>ทนเนี่ยคุณยิ่งทําคุณยิ่งมากยิ่งทํายิ่งมอีอย่างความเออฟือ้อเผื่ อ, อ, อแผ่เนี่ย คุณยิ่งใช้คุณยิ่งมีค่ะอะทดิฉันเจอเพื่อนที่เขาก็เริ่มต้นปฏิบัติธรรมใช่ไหมพอแต่ว่าการปฏิบัติธรรมของเขาเนี่ยยังไม่รู้จักว่ามร ค, ค, คืออะไรอืมพอดิฉันพูดถึงมรคเขาถามว่าอะไรเหร อ, อมฉันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไร เขาขงงมากเลยเขาเขาไม่เคยอ่านมาก่อนอืมวันรุ่งขึ้นมาเจอกันอีกทีเขาบอกเขาไปอ่านแล้วล่ะเขาเปิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปอ่านน่าสนใจมากมนี่ก็เลยอยากจะถามท่านนะคะว่า ม, มากเนี่ยเราต้องเรียนรู้อย่างอื่นก่อนแล้วค่อยไปเรียนรู้หรือว่ามากในอยู่ที่ไหนมากมันอยู่ในทั่วๆ่วไปที่เป็นธรรมชาติตั้งแต่เราเกิดมาเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องให้เราโตก่อนแล้วค่อยเจอมกักค่ะออมากนี่คือหนทางไปถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก เราก็มันก็อยู่ตลอดอยู่กับเราอยู่แล้วคือถ้าเราเห็นทุกข์เนี่ยเราก็จะเดินมรรคได้ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เนี่ยไม่เห็นปัญหาเนี่ยทําการกระทําอะไรต่างๆมันก็จะไม่ใช่มรรคนะอืก็คือกระทาไปทําไปเท่นั้นเองนะคะก็คือเป็นการสร้างกุศลทั่วไปธรรมดา อ, อ, อันนี้มรรคนี่นะที่พูดถึงว่าต้องเห็นทุกข์ก่อนถึงจะเดินมรรคได้เนี่ยเพราะว่า มันจะมีแง่มุมที่ต่างกันอยู่คุณโยมติว๋วอย่างเช่นว่าเราบอกว่าพระเจ้าพูดถึงในวันมาคบูชาอย่างเงี้ยวัตถปฏิโมกใช่ไหมสร้างกุศลละความชั่วทําความดีทำํำจิตให้บริสุทธิ์อย่างเงี้ยถ้าเราพูดถึงแค่ละความชั่วทําความดีอันนี้เราเข้าใจอยู่ใช่ไหมละความชั่วย่างเช่นอะไรคุณไม่เขาเรียกว่ารักษาศีล น, นั่นก็คือละความชั่วละรัะกการฆ่าสัตว์ล ะ, ะทำความดีคืออะไรอย่างเช่นเราเราเจริญเมตตายอย่างเงี้ย เราจเจรอเบกขาพวกนี้เป็นความดีทั้งนั้นเลยแต่คุณรู้ป่ะความดีก็มีโทษนะโทษของความดีก็คือว่ามันหายไปได้มันดับไปได้เมตานะ <c oughs> เกิดมาไม่ดับไม่มีเดี๋ยมันก็เสื่อมไปได้สติแล้วเกิดมาไม่ดับไม่ดีไม่มีเดี๋ยวเสื่อมไปได้ปัสสติแล้วดับเหมือนกันเอ๊ะมันจะทําไงให้มันไม่ดับไอ้พวกนี้มันมันยังคงอยู่ไ ด, ด้ตลอดเนอะพระเจ้าจึงบอกว่ามันมีกลวิธีที่สุข ก, ก็ไม่เอาทุกข์ ก, ก็ไม่เอาอยู่นั่นคือ น, นิพพานนะ ซึ่งตรงนี้ถ้าคุณเดินมัคในลักษณะที่คุณเห็นปัญหาตรงนี้นะไอ้มัคตรงนั้นเนี่ยจะเป็นใบพื้ น, นิพัทธ์แต่ถ้าคุณทําความดีโดยที่คุณไม่เห็นปัญหาของความดับไปของกุศลธรรมที่คุณกําลังทําอยู่นะอันนี้คุณก็แค่สร้างกุศลเฉยๆเ ข, ข, ข้าใจเนะาะ ก, ก็เท่ากับว่าคือเรื่องอะไรจะบอกว่าจะถามนะคะว่า เ, เราเนี่ยสามารถมองเห็นมัค ใกล้ๆตัวหรือเปล่าออถ้าฟังจากท่านเบบูลพูดเนี่ยดิฉันจะสรุปอย่างนี้แล้วท่าน่ท่านอดูแล้วกันนะคะว่าใช่หรือเปล่าอือคือมันมีอยู่และเราอาจจะทําอยู่ในส่วนหนึ่งของมรรคก็ได้และถ้าเราทําถึงคือทําโดยเข้าใจใชอันนั้นแหละคือมรรคถูกต้องคือมรรคจะพร้อมขึ้นมาและ่ะนะคะอ่าเช่นเราทําบุญอืเราคิดว่ามันเป็นความดี เราเราหาเงินเก่งนะถูกทำนองคลองธรรมอะไรเงี้ยแล้วก็จัดสรรปันส่วนตามหลักของการใช้เงินที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเงินที่เราหาหาอยู่แล้วมันงอกงามขึ้นทุกวันมีแต่งอกงอกงอมันก็เป็นของไม่แน่อันนี้ดิฉันเปรียบเทียบกับของง่ายๆทั่วไปธรรมดาเนี่ยเอามาเปรียบกันได้ไหมแล้วมันใช่หรือเปล่าถูกต้องถูกต้องเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องของมรค แต่ถ้าหากว่าในระหว่างที่หาไปทําไปตามหลักเกณฑ์หลักการอะไรเนี่ยอื ม, อมเราตระหนักดีว่าเงินมันก็เป็นของชั่วคราวมไม่แน่อันนั้นก็จะเป็นมรดกของเขาทันทีนะคะเนี่ยคะ่ะท่านผู้ฟังคือดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจว่าในสิ่งที่เราอยู่ด้วย มีอยู่เราไม่รู้จักเท่านั้นเองเราเลยมองไม่เห็นเราจึงควรทำความรู้จักเราจะได้มีความรู้สึกว่าแหนมันประทับใจแล้วก็มันมีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพยายามเข้าถึงแล้วก็อย่าเสียเวลากับสิ่งที่มันมีอยู่กับเราทำให้มันเป็นกุศลธรรมจะใช่ เราเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ว่ายากเราค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปนะทําซ้ําทําย้ําไปมันก็ได้ขึ้นมาเองค่ะและถ้าจะให้สรุปชัดๆอีกทีนท่านครับเราเนี่ยไปเรียนรู้ทีหลังได้ไหยครับมั้งเอ่อได้จะก่อนจะหลังได้ทั้งนั้นเลยอก่อนก็ได้หลังก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะคือการเข้าถึงทำเนี่ยบางคนเข้ามาจากความทุกข์บางคนเข้ามาจากเรื่องของตัณหาบางคนเข้ามาจากเรื่องของมั่ง บางคนเข้ามาจากเรื่องของความอยากให้มีนิพพานอย่างนี้ยก็แล้วแต่คนในทางนั้นแต่ว่าถ้าคนทั่วๆไปธรมธรมดาๆจริงก็สัมภาษณ์มาหลายคนแล้วนะคะอืถ้าพูดแบบสุภา พ, ภาพก็ไม่จะบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็บอกว่าก็เข้ามามันมีความไม่สบายอื ม, มันเครียดเรื่องครอบครัวนั่นแหละอื ม, อมคือเหมือนกับว่าในขณะที่ตอบคาถามเราไปก็หาพวกไปด้วยว่าก็คงจะมาด้วยปัญหาคล้ายๆกันหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะนะคะ ท่านาวันนี้คงจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราใช้เวลามาพอสมควรทีเดียวท่านผู้ฟังก็จะได้เห็นแล้วนะคะว่าการที่เราจะปฏิบัินั้นน่าที่จะได้ประโยชน์จากแนวความคิดที่ท่านเพบูลเจอคนปฏิบัติเยอะแยะเนย น, นะคะท่านก็แนะนำให้กับพวกเรารวมไปถึงได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมักขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งด้วยท่านเพริบูลจะพักสาวาทตย์ที่นี่ แต่ก็ไปทำงานอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเวลาเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ท่านที่มีคำถาม mm. p ิโอธร m a ะดอนคอมส่งส่งไปแล้วท่านก็จะนำมาตอบในรายการนี้หรือว่าจะส่งไปที่ 02.269.0.0.0.6 พร้อมทั้งขอหนังสือพุทธวจนะก็ได้ท่านเผยบู์ท่านมาร์กและดิฉันนะคะจะกลับมาพบกับท่านอีกทีหนึง่งในวันจันทร์คือมาพร้อมๆกันในวันจันทร์ตีหเช่นเคย วันนี้นมันสการขอบพระคุณท่านพบูล น, นะคะาพร้อมๆกันนี้ก็ลาท่านฟังที่เคารพทุกท่านไปด้วยคำว่าพุทธวัตรสวัสดีค่ะ